แค่ในทางอารมณ์จิตใจของทุก่านเพียฝังสติของตนที่ใจหนด้วยจิตใจจริงจังจิตใจของเราหากมีสติและมียู่ ส่วนหนึ่งส่วนใดมันจะต้องเอร่อนไปสื่อสัญญาอารมณ์อย่างไม่มีรั้นเดดกันครับหากมีสติสภาพประตองรักษาเรื่องจิตใจไมรู้เรื่องจิตอยู่กับอารมณ์อะไรสัญญาอะไรเป็นธรรมหรือเป็นอาทรรพ์อย่างไรผู้นั้น จะมีความเจริญในการทำจิตทำใจทั้งตนหากไม่ข้ามปีติปล่อยติแต่ละนิดนดูอย่างทองจิตมันจะนึกจะคิด อ, อะไรพอปล่อยไปตามสัญญาอที่มันชอบหรือจิ่มันขานไปคู่นั้นคู่นั้นทุงจะพ า, าน่ะ ตลอดการนานแต่เท่าไรก็ไม่มีวันที่จิตใจทั้งตนจะสงบระงับได้เหตุนั้นเรื่องปติจัติเป็นของสำคัญผี้นักปฏิบัติทุกท่านในเทียนมองข้าควรจะตั้งเอาไวา้ใ น, ใ น, นจิตทั้งตนสมันเสมอไปเวลาอยู่คนเดียวก่อตาเวลาขันจั ง, งขันก่อตาเวลาเดินยินทะตะก่อตา ให้มีปฏิแต่ถ้าตระทับใจใจทั้งสนวนาม่ำเสมอไปเราบริยึดจบททาอะไรก็ให้บริยึดจอยู่อย่างนั้นเพราะเราไปยินขบ่ายไม่เคยไปหาซื้อหาขายอะไรยิ่งเป็นผู้เล็กผู้นอ้อยก็ยิ่งในนี้หน้าที่ทเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนอกจากการเสียใจทั้งส่วนว่ามันปรุงมันคิดอะไรจากวัดไปถึงบ้าน กลับมาถึงว่าจุดข้า ง, งเราอยู่ในธํามในธรรบริสันต์หรืออะไที่แจน่ะเกิดติจปัญญาอะไรขึ้หรือค่ะก่อแค้ยินบุ่นไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเรามาบวดมาติดขัดติดใจหรือไฉบเราจะมาปล่อยอย่างฉลาดับอยากเลิอกอยากหยุด อะไรปล่อยให้มันไกมันคิดมันปรุงปเพราะว่าเป็นอย่างนั้นส่วนข้าเจา้าพระสงฆ์ยิ่งเต้อนนะแต่จีบับเดียวแหละต้องมีสติต้มีปัญญาต้องทิ้งทุจรณตนาบทัดในอย่างนั้นจิตใจก็จะไม่เป็นไปให้ติดีพอเราจะไปหเหมาโอว่าเราไม่มี บุญวัฒนาไม่มีดรามีเที่ยงคอแต่ที่เราป่อยจิตใจลอยไปตามตัณหาอารมณ์เราไม่รู้เราไม่เข้าใจแ่ามันเป็นจิตเป็นใจแกคนอย่างะไรลอยไปลอยไ็ยิ่งไหลไปทางชั่วเพระปกติของจิตเหมือนกันกับน้ำธรรมดาเนื่อ ต้องไลลงที่ันสมอไปใจของมนุษย์เราก็ย่อมไหลลงที่ตันอย่างนั้นเพราะที่ตันเป็นที่เยอยู่เคยอาศัของเวนที่สูงอย่างสวรรค์นิพพานที่ตัละอนที่หลเราไม่เคยมีเราไม่เคยเห็นเรไม่เคยเนาม่รู้จิตใงไม จ ใ, ใจจึงไม่อยากจะปจจรุงจิตใจจึงไม่อยากจะทำเราทั้ง ท, งที่อยางินคอบหลยลงไปเราทั้งที่ตัดที่เสียสวนใดที่ตัดส่วนใดที่เสียสวนใดที่ขับจุตใจกล้าหจิตใจท้าทวกเราไม่จากครอเหงืยนกันกับคน่อยครอบของแถลง คิดว่ามันจะอร่อยอร่อยอย่างนั้นอย่างแต่เนี่ยรับทานลงไปหรือขันลงไปแทนที่จะอ ร, อร่อยแทนที่จะจังร่างกายให้มีกำลังร่างกายพอแล่วเกิดเป็นยึดเปไข่เป็นขบาเป็นกระรงกระเดี่ยวของไตารือเปล่าแทนที่จคนไข้ที่ไหแระวัวรงรักษาตัวชอบอะไรกินไปอย่างนั้น ทานไป อ, อย่างนั้นขันไป อ, อย่างนนคนนั้นจะตายแค่ปากของตกเพราะหนระหว่างสังวรเพราะอาหารบารเดเจ็บแอบเป็นชิ้เป็นชิ้นในเนี่ยเวลาที่เราเป็นไข้ขัในใดจิตใจของพวกเรานักปฏิบัติเ่งยังมีไข้มีปวดคือ ม, มีที่เหลือปัญหาอยู่ ชอบอยากคิดชอบอยากดูชอบอยากไปงชอบอยากเล่นในสิ่งที่ไม่เป็นสรรประโยชน์สิ่งที่พระพุทธเจา้าห้สิ่งที่พระพุทธเจ้าแหน่อนุญาตจิตใจนักคิดจิตใจนักงจิตใจนักจิตตามเหลือกัญญาอารมณ์สแต่ิงที่พระพุทธเจ้าอนุญาตสิ่งที่พระพุทธเ จ, าจา้าจงได้สร สิ่งที่พระกุทธเจ้าจบอกต่อให้แตกต่างจิตใจไม่ค่อยากจะทำไม่ค่อยากจะเจนไม่ค่อยากจะคิดเพราะาส่วนดีส่วนสูงจิตใจไม่อยากจะคิดจะเจงแต่ส่วนต่ำโดยไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำาำสอนถ้าจะปล่อยเท่านั้นก็ไปบั็นใหญ่็น เลขอบเลยเฉียดไปธรรมดาสายสั้นเป็นไปอย่างนเหมือนกันกับเราลงถูอที่สั้นลงยากแต่เราจะขึ้นไปที่ของสูงขึ้นไปยากการจีงจิตสูงได้จะต้องอาศัยเหยียดเป็นไปแต่ขั้นต่ำสั้นเหมือนกันกับบรใดแต่มีขั้นต่ำขั้นสูงเป็นระเบียบระดับขึ้นมาจึงจะมาถึงสลาหรือ ปกติของเราได้ไม่ใช่จะมีแต่ท่านสูง ข, ขายเดียร์ครูบาอาจารย์ที่ท่นานเคยสืบอบรมท่านก็เกิดแงแกท่านต่ำระวังรักษาจิตของท่านในเนี่ยเวลาย <c oughs> ังมีที่เหลือปัญหาท่านอุตสาหะพยายามตามรักษาเพื่วยสติดแตครับแต่คองจิตของท่านไว้ ไม่ให้รงไม่ ห, มห้ดม่ดูไม่ให้ฟังแลส่ที่จสุดตตูต่อเรื่องของคำการพยวยาบังทัทาบาทบัญชาระวังรักษาทั้งคันจนจิตใจทั้งคันหล่อใสยมีกำไรในการปัดสินตัดสินโดจิตใจทั้งคันเคยปรุงเคยคิด ก็ อ, อยากดูอยากฟังจริที่ต่างแต่เมื่อท่านแนะนาท่านหันระวังท่านหันรักษาท่นทนนา น, นท่านมีเตจปัญญาสอนจิตของท่านจิตใจของท่านก็คิดทานขึ้นมาคิดทายได้ผลที่ ท, ทายถตรงชึ่อติดขึนเมื่อใด ท่านร้นใจว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่เียรอเป็นมามารบวนจิตใเสาหมหรือให้ยักท่านระวังรักษาไม่ใจิตของท่านไปปรงไปคิดให้ตาของท่านไปดูไม่ให้หัวของท่านไปฟังไม่ให้ใจหมกหรืเลี้ยงของท่านไปติดไม่กินไมรัดเนนั้น พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งตันเท่าไยิ่งไหลลงไปยิ่งตามเท่าไรยิ่ ง, งไม่รักษายิ่งตามเท่า ไ, ย, ไ, า ย, าาไยิ่งอยากลงไปคนที่อยู่ในสถานที่ตัดจะมองเหนแค่ถึงโลกจะกว้างสนกว้างกว่าตายเขาจะมองหเห็นได้แต่เพียนิดหน่อยเท่านั้นเหมือนกันกับคนลงในหลุมในบ่อที่ลึกจะมองเหน็นของฟ้าอาตาก็เพียงนิดหน่อย เฉพะปากบ่อมาจาา้างฐานหากคนนั้นขึ้นจากบ่อมาย่งไปขึ้นภูเขาถึงสูงก็ยืงมองเห็นไกลหนกับฐานตีต่างๆเว่งว่าง้างขังติสขขายหงาสายตาผันไปจิตใจของนักภาวนาหากมันลวกไหลลงไปสู่ที่เหลือกันหาลงไปสู่ฝ่ายต่าง รอยยิ้จะมองเห็นแอบหอบไปเคยเห็นแต่แต่ปากแต่ลิ้นแต่การเล่นการโท้แต่ขี้เหลียดกันแต่ฝ่ายธรรมะซึ่งพระพุทธเจา้าทรงแนะสอนไม่เข้าหไม่เข้าใจจิตใจก็เลยเมื่อดำจิตใจก็เลยเศร้าหมองจิตใจก็เลยเดือดร้อนไม่มีทวามสุขไม่มีทามสำเร็จไม่มีทา ม, มท เห ย, ยียหย่นภายในศพเห็นตั้งแต่แค่การกินการเล่นการเทิดการเพนแต่การถอดขอนที่เหลือกันแหายการทำความผาความเกลียนเพื่อจะยกจิตของตงใ น, นให้คนไปจากโลกไม่ใครมองเห็นจิตดังเอาหมดุดนี่แหละเรื่องจิตอยู่ในสถานที่ต่ำเป็นอย่างนั้น ธรรมดาที่ต่ำํำกลายเป็นที่รั่วไหลลงแขอ ง, งปลวกปลโคกโคกต่างๆเรารู้ว่าขี่มูลาขี่มะให้หรืออะไรต่ออะไรไหลลงไปสู่ที่ต่ำตรนั้นฝนตกจากอ้งฟ้าอาตะจะต้องไหลลงไปสู่ห น, นือยูหนอนตูเบิงตูบางขี่มันต่ดเราเคยไหลขึ้นภูเขา มันสูงได้ใหญ่เนาะจิตใจของปู่ไม่มีความก่อไหลลงไปสูที่ต่ำใหญ่เนาเมื่อไปไหลลงไงสู่ที่ต่ำใหญ่เนีของทุกอย่างที่อยู่ในที่ต่างๆจะต้องไหลไปต่างเจนเจนว่าไปหน้าใด้ยากหี้หมูขี่หน้าต่างๆจะต้องไหลลงไปต่างที่ต่ไเ้ยจนที่สกปรก ที่ต่ำเลยเป็นที่เกบไข็ของที่นมดิไในดีเอาไว้สูงเท่าไรก็ยิ่งเป็นของสะอาดขึ้งไปธรรมาดายอดไม้ที่อยู่สูงยอดไม้ของโซกโปกุ่นละอองไม่ใส่ึิ่งไปถึงและสิ่สงโซกโปต่างๆจะใข่คือขึ่งใต่าห้งผักที่อยู่ในที่ที่สู ง, สงยอด ถงสูงเป็นผักที่สอาดหนาและประดานยถ่ายดูน้ที่ต่ำๆจะรู้ว่าน้ำลายเยอะอะไรจะมาเหี่ยวว่าเป็นของสกปรกส่องล้างก็ทําให้สะอาดเพื่ก่อนถึงน่ารับผ่านในหน้าปกติจิตใจของพวกเราพันกับเหมือนกันยิ่งต่าเท่าไรก็ยิ่งเห็นแก่ตัวไปแถวนั้นยิ่งเสียหายไปแถวนั้นยิ่งเมื่อดำโงเข่าไปแถวนั้น หากจิตใจสูงขึ้นไปแก้รู้เรื่องการรักษาตัวเองและจก้รู้เรื่องของโลกทั่วไปว่าดีชัวเสียหายอย่างไรพอคิดได้ขอพรงได้การสอนจิตสอนใจขั้งคนจึงเป็นของสำคัญหากขาดจิตขาดปัญญาหากขาดคามขาความเพียรความอดความทน จิตใจจะต้องไหลลงใายต่ำเสมอไปส่วนนั้นข้ามอดคนความผิเพียนถ้าพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเป็นทางทู่พวกนักปฏิบัตจะควรสิดตัดตัวมให้เวดให้มีป็นในจิตแต่ต้นดานของตนนะคาในมีท้ามอดทนมันอยากคิดอย่างไรอยากทำอย่างไรอยากพูดอย่างไร ไม่มีการผาดเปลียนพ ย, ยายามรักษาเอาไว้ไม่มีปติบังคับปกครองใจไม่มีปัญญาสอนตัวเองผู้นั้นนับวันจะเสียหายนับวันจะรไร้ค่าไน่มีราคาอะไรในการบวชของตนในการศึกอบรมของสนการศึกอบรมสำคัญอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ข้าอบรมอยื่ที่ข้าผ่าเปียน ผู้ใดมีความอดทนขากเขียนมีนสติต่อรองจิตใจมีปัญญาและถอนตัวข่องตัวอยู่เส ม, อ, เมอไปผู้นั้นถึงจะเป็นผูนกก้น้อยก็หน้ารักหน้าเมตตาถึงจะเป็นผู้ใหญ่ก็หน้าบูชาหน้าเค า, ารพเพราะมีความใส่ใจตัวควาส่วนนี้ไม่ใช่ จ, จะมีสิ่งโดยอัตโนมัติของมันจะต้องอาศัยการภานเพียนอาศัยแพวย์ยามอาศัยอดอาศัยคนอาศัยแต่งทำบำเพ็จึงจะเกิดจึงจะมีสิทธิทำเป็นโมฆะสำหรับบุคคลผู้ไม่มีปฏิปันญาสาหรับบุคคล ผู้ที่ในอดในคนในผาดในเกลียนแบบทำเป็นของที้มีตาละสำหรับผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้มีความผาดเกลียดอดคนเราบวชมาเป็นพระยี่สิบสามมานึน อ, อยู่ในพระพุทธศาสน า, ตามบ่งหน้ามืงตา ยาแานดาหรือประชาชนขวไใสหรือเอาว่าเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนาหรือเอาว่าพวกเรามาสร้างคุณงทานาดีแต่เราเมื่อเข้ามาถึงที่วัดวาศาสนามาสู่ครูบาอาจารย์มาสู่มืคณะที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ตัวพวกเรามีการดีเด่นเป็นธรรมึ้นอย่างไรจากเพราว่าที่เราเคยอยู่เคยอาศัยจิตใจของเราเคยได้รับความสงบอย่างายืนอย่างไรและขอดถอนที่เหนียดต้นหามานะทิสจิได้น้อยมากเท่าไรวันหนึ่งจิตใจของเราเกิดตัญญา วิชาความรู้จากการถ่ายเทียนพยายามอย่างไรหรือหากไม่ํานึงคำนวณหรือหากไม่มองดูเรื่องของจิตว่ามันดีมันขั่วยอย่างไรถึงเวลาหลับก็หลับไปเวลาตื่นก็ตื่นมาถึงเวลากบออฉันกบขันกันไปแต่จิตใจไม่มองดูไม่รู้ว่ามันเสียหรือมันได้มันเสียอหรือมันเจริญอย่างไรคนแบบนั้น จะอยู่ในวัดในว่าอาศัยศาสกันาก็เหมือนกันกับตาฝากซึ่งอาศัยนม้เ ก, ก็อาศัยอยู่อย่างนั้นดูจินนม้ยางของต้นไ้นที่จุดตนม้ถามีตาฝากมากมายขึ้นไปตนม้จะต้อาเมื่อต้นไม้ตายละ่ะตาฝากก็อยู่ไม่ได้ตายไปตามตามกันฉันเลคนที่อาศัยศาสกนที่ไม่ ดได้ชีวิตพีเจรนาไม่มีทวามผ่าความเพียดไม่มีทวามอดความคนไม่มีสติปัญญาแนะนำทำสอนตนก็เหมือนกันกับตาสตรอยู่ในาศาสนา์เ้นที่สุดที่เหลือตันแผลจึงมันปรงุงมันชุบมันกระดุกขึ้นในจิตในใจของตนมากม า, ายตายกองข้าทำสี่พระพุทธเจ้าแนะนะนำได้ไม่มีวันมีเวลาจัดปูน้า ออกมาให้จิตใจสงบเยือกเย็นได้ผลที่สุดขับเขาเข้าไปเพราะเรื่องที่เหลือปัญหาหทับขวดเขามาทุกวันทุกเวลาก็เลย อ, อยู่ในสาสนะในแบบเย็นชาว่าหยาดโยมเหวนการเรื่องการเทนเป็นของสำคัญกว่าการตัดสิปฏิบัติครับเลยเมาตัวว่าไม่มีบุญวาา่ากันนะ แต่การรักษาจิตรักษาใจช า, ายจะดีปัญญาการตามผ่าตามเพียนคมขู่ที่เหลดาตันหาไม่มีเกิดได้จิตใจจริงจะดีจะเด่นขึ้นได้ต้องเน้นคิดที่นีที่จะรียนมาเพราะหน้าที่ของข้าหน้าที่ของยก <c oughs> สุสามเณรผู้อยู่ในข้าพุทธเ้าศาสนาเป็นผู้ที่ควรน้นควรคิดควรฝึกควรอบรมตาข้าพุทธเจ้า หรืออริยะเจ้าในใส่คนโง่ในใช่คนเเขวะในใส่คนเกียจแค้นในใส่คนไม่มีความอดทนท่านเป็นคนขยันท่านเป็นคนหมั่นเพียรท่านเป็นคนอดทนท่านเป็นคนมีสติท่านเป็นคนมีปัญญาท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติน่ากราบน่าไหวน่าบูชาทึงใปที่ท่าน แต่เลือกปฏิบัติที่ท่านแนะนพวกเราจึงเป็นของที่มีคุณค่าหาระประโยชน์มากที่สุดดิดาแมนดาคูไนกันเนตเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญคุณมากที่สุดสาหรับบุตรดิดาต่อไปแต่จะมีเมตตาสงสารอยากจะให้พวกเราท่า้งคนตจากที่เดินกันเสมอแับ ท้าทิพท้าเจ้าหรือทาริย์จ้าต้องแนะนำคำสอนให้พวกเราละทั่วบำเพ็ญดีชวีภูนสิ่งต่างๆจนไม่ให้จิตใจติดข้องในเรื่ยงของโลกนั่น่ันเจนภูนที่มีเมตตาสงสารมากยิ่งกว่าดีดามานดาของเราเพราะดีดามานดาบางขันบางคนก็สอนบุต ไปทำความสั่วต่างๆนานาซึ่งเป็นการเมื่อทำแล้วจะได้รับทุกรับโทษสำหรับบุตรเหมือนนั้นแต่บุตรที่ตาในเด็ที่นิจเจรนาปวดทำตามโอวัลของพ่อแม่พอเรา เ, เป็นคนขั่วเสียหายไปมากมาใส่กองเนื้อใส่แต่ <c oughs> ทำนะทสั่งสอนสองพระพุทธเจ้าหรือทาริยะเจ้าเนีแล้วสอนเล่าไม่อยากให้พวกเราไปแต่ทวามช่วชั่วให้ละให้ถอนเรื่องของความชั่วที่มีอยู่ทางกายก็ให้พยายามละถอนที่มีอยู่ในทางวาจาก็ให้พยาะะยามรักษายาจะให้ความชั่วท้ายนอกเข้ามา ทวามทั่วภายในการจัดปัดเต่าออกไปทุกวันทุกเวลาควาทั่วภายในใจที่เคยชอบเคยติดเคยคิดเคยปรุงภายในฐานศักดิ์อ่านควาให้ระวังรักษาให้มีสติให้มีปัญญาและนำจิตของตนอยู่เสมอแต่ความทั่วส่วนนั้นทําไปแล้วรอบจนสัมได้รับคํามลำบาก เป็นโทษเป็นชิดสอ น, นจิทของตนสมันต่อเนือแล้วผู้นั้นท้าหากท่าทั่วไม่ไม่ไหลเข้ามาท่าทั่วเก่าที่มีอยู่ในปลายต า, าใจกำจัดตัดเก่าออกไปทุกวันที่เวลาท่าทั่วก่อจะตก อ, ออกไปลุกออกไปน้อยออกเข้ามาไม่มีท่าทั่วที่จะเหลืออยู่ในใจิตในใจเพราะกำจัด ความทั่วภายในใจให้หลุ้ให้หมดออกไปทุกวันทุกเวลาความทั่วที่ยังไม่มีมาก็ไม่ต่างกันในการทำความทั่วจึงตกออกไปความทั่วใหม่ในไหลเข้ามานี่เช่นทางปฏิบัติของนักทศของพาะพิสุสามเณร คคดิบใจค่อยๆฟุ้งค่อยปุงค่อยติดค่ยติดคยคลองในปัญญาอารมณ์ต่างๆหากเรามีปมติดมีกัญญาแนะนมันกินนิพพิจรารณาตามคำคำต่างนของอพระพุทธเจ้าจริงที่มันติดมันติดมันมีสาระประโยชน์อะไรเราจึงพรุงไปจึงสิดคล้องหากเราคิดนิพิจรารณาจริงจัง ถ้าหากมันดีดีเสร็จคนที่ทังที่คิดที่คิดที่ท่ข้อเขาได้รับความสุขความสบายอย่างไรนักบัญญัติมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น่ันทันเราเห็นไหมขันเคยมีเคยเป็นเคยเห็นไหมหรือหากเพงมีเพียงเป็นเพี่งเห็นแต่แค่แต่เฉพาะตัวของเราเท่านี้ตานเพียงสิ่งที่คิดคิดข้อที่คิ หรือไหลโยงไปสู่สัญญาอารมณ์จิตจิตชอบในจิตพระพุทธเจ้าท่านเคยมีเคยเห็นเคยเห็นเคยรู้ไม่ใช่ว่าจะเคยมีเคยเห็นเคยเห็นแต่เฉพาะพวกเราพระพุทธเจ้าเคยถานมาทางนั้นอริยเจ้าทุกท่านเคยถานเคยพบเคยเห็นมามจึงที่จิตไปจิตไปทอง ไปชอบความจริงเรื่องจิตขาดปัญญาขากนำคำของพระพุทธเจ้ามาแนะสอนตัวจึงไปหลงไปติดลูกที่จิตจิตกลายลูกที่ไม่เที่ยงแท่แน่นอนเกินลูกที่เคยมีมาแต่เต่าแต่ก่อนและของเหล่านั้นก็ไม่นานมัน นานเดือนนานปีก็จะแตกสลายไปหรือไม่อย่างนั้นความคงที่ดีงามที่เราถือว่ามันสวยมันน่รักน่าชอบอย่างนั้นอย่างเรามองเห็นเชืเ่อถือมาโดยค้นดูเข้าไปภายในว่ามันจกตะกหรือมันสะอาดอย่างไรหรือนอกจากนั้นจะพูดถึงใบถึงตาของมันก็เหมือนกันกับดอกไม้า เวลามันแยบบานก็หน้าดูแต่เนื่อมันเหนียวแห่งเข้ามาก็ไม่น่าดูหนักขั้นใดรูปที่เราไปติดข้องในจิตในใจก่อทํานอง น, นั้นอย่าไปดูตังแต่รูปที่มันติดข่องเขานั้นให้ดูไปถึงขอทึงแน่ถึงปูงอย่าตายายข้องมันว่ามันเป็นอย่างไรปู่ย่าตายายข้องมันแต่เมื่อเวลามัน ยังหนุ่มยังสาวมันก็จะต้องมีความสวยกดงักงานอย่างนี้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครที่เ้าชอบเขาปรารานาแต่เมื่ออายุแกเข้าไปวันที่เคยเฉ้่ยชงงานก็วดเที่อาหารอะไรไม่ได้เจ็บปวดและก็รล่นหลุดออกจากสาไปแทงที่เต็มตัง ก่อนเดียวเข้าไปหกเข้าไปผลที่สุดอะไรทุกอย่างตาที่เคมีแววว้าสวยงามก่อ่าก่อไาผมที่เคยดำดำก่อหงอก่อขาหงายก่หนวกก่อตึหลังก่อโคก่อข้อแมงขาเอาไว้ยว้วทุกอย่างจะต้องเสี่อมไปเสียไปเราต้องดูให้มันชัดเจน ถ้าด yeah. ูคนนั้นไม่เห็นต้องดูพ่อดูแม่ดูตาดูยายทังมันมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นนี่หมายถึงดูรูปนอกถ้าดูรูปในตัวคนเข้าไปคิดเข้าไปว่าสัขารร่างกายของหญิงชายทั่วโลกเมื่อพูดถึงคนอื่นตัวเราเองตรงนั้นนันมีอะไรมันสวยมันงามที่ัวไหลออกจากกายนี้ เต้นที่หน้าดูหน้าชมเต้นที่หน้าจิกหน้าข้องเต้นที่หน้าละน่ายินดีไหลออกมาทวาวรใดเขาโวยวายที่ทางนั้นแต่บนที่ผะเขายังมีที่ไม่ว่าแต่สถานที่ใดใดไหลออกมาจากมนุษย์จากตัวบุคคลเป็นของตกตะกบทางนั้นเพราะอะไรจริงๆอย่างนั้นเพราะก้อนของสกตะก ที่ผ้าที่เรานึ่งเราห่มกระบอกขี่วันที่เราใช้กอยกันมีการซักอบอยู่บ่อยๆถ้าหากเราเก็บเอาไว้ในตู้ในถีงของนั้นยังมีความสดสวยวัตแงที่เรามาใช้กันมาขี่วันมาซักดูความกว่าคุณละอองหรือของตกระกบมันออกแบบเนื้อจากกายไปติดมีกลิ่น น้นตากเนขงกันขึ้นถ้าในตากมันเกามันเป็นอย่างนั้ถ้าจี๊เฉยๆงามๆก็เราจะกระโ ป, ปรงหัวโคบไปยิ่งๆไม่รักษามันไหลออกมาอย่างน้ำลายด้มูกของเราถ้าไปตกไปหล่นไปที่ไม่งที่นอนเราก็แรงเกลียดในข้อเพราะกระโปกงไปอยู่ในตาขอ ง, งเราที่เรากล้าดืเข้าไปได้ บอกเขอาสายตาเราเหมือนสาตาเราเห็นแล้วมันไม่น่าดูทั้งนั้นในใช่ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของงามอะไรให้คนคิดพิจารณาดูคนอื่นเขาเล่าตกลเหมือนกันกับเราเพราะเขาคินของตกตะกเข้าไปทุกวันทุกเวลาถ้าดในคินของตกตะกอย่างนั้นขาขันก็ตั้งอยู่ไม่ได้จะต้องแตกสลายไปร่างกายจึงเป็นของตกตะกจิตใจเน่ดที่คิดวิจารณาของตกตะก